พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิสพระสูตรที่สามกินติสูตรสูตรว่าด้วยความคิดว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคประทับหน้าราวป่าอันเป็นที่นำผลีกรม ร, รมไปทาพิธีใกล้กรุงกุสินาราณที่นั้นได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ามีความคิดเห็นในพระองค์เป็นอย่างไร คือเห็นว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะความเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่เป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั้นเหรอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้คิดเช่นนั้นตรัสต่อไปว่าเมื่อไม่คิดเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรเล่ากราบทูลว่าคิดว่าพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมด้วยความอนุเคราะห์จึงตรัสว่าถ้าเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายทั้งปวงก็พึงพร้อมเพรียงไม่วิวาดกันศึกษาในสติปัฏฐานสี่เป็นต้นจนถึงอริยามรรคมีองค์8ดในวงเล็บโพธิปัจกิยธรรม37เมื่อศึกษาอย่างนี้ถ้าภิกษุสองรูปมีวาทะต่างกันในอภิธรรม ก็พึงเข้าไปหาภิกษุที่ว่าง่ายกว่าพูดให้รู้ถึงความต่างกันโดยอัฏฐพยัญชนะเตือนอย่าให้วิวาดกันอันไหนถือมาผิดหรือเรียนมาผิดก็พึงทรงจำไว้แล้วกล่าวแต่ที่เป็นธรรมะเป็นวินยัยสำหรับคำว่าอาภิธรรมในที่นี้อัฏฐกถาแก้ว่าธรรมะอันวิเศษยิ่งคือโพธิปัจคยธรรม37ประการ ต่อจากนั้นทรงแสดงเงื่อนไขต่างๆที่ภิกษุผู้มีวาทะต่างกันโดยอัฏฐะเสมอกันโดยพยัญชนะบ้างเสมอกันโดยอัฏฐะต่างกันโดยพยัญชนะบ้างเสมอกันทั้งโดยอัฏฐะทั้งโดยพยัญชนะบ้างควรเข้าไปหาฝ่ายที่ว่าง่ายแล้วชี้แจงและส่งจําไว้ให้ดีกล่าวแต่ที่เป็นธรรมเป็นวินัย ต่อจากนั้นทรงแสดงว่าเมื่อภิกษุพร้อมเรียงกันศึกษาอยู่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติก็ยังไม่พึงโจดท้วงพึงพิจารณาตัวบุคคลก่อนถ้าพอว่ากล่าวได้ไม่ยุ่งยากก็พึงว่ากล่าวถ้าจะยุ่งยากเกิดการเบียดเบียนก็พึงวางเฉยถ้ามีปากเสียงกันมีความไม่พอใจเกิดขึ้น ก็พึงกล่าวกับภิกษุผู้ว่าง่ายให้เห็นโทษว่าสมณะพึงติเตียนไม่ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อภิกษุอื่นถามว่าอาจจะทำให้ภิกษุเหล่านั้นออกจากอากุศลตั้งอยู่ในกุศลได้หรือไม่ถ้าจะตอบให้ดีก็พึงตอบว่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสดับธรรมที่ทรงแสดงแล้ว กล่าวทานั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเธอก็ออกจากอากุศลตั้งอยู่ในกุศลได้ตอบอย่างนี้ไม่เป็นการยกตนว่าสามารถไม่เป็นการข่มกู่ผู้อื่นว่าไม่สามารถและก็จะไม่ถูกตำหนิ